วันนี้เป็นวันที่ส8บปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพหรยห้าสปดวันวันที่ยี่สบอดงานหลวงประสดนะงานวันเกิดของท่านวันที่ยี่สบคงจะสวดมนต์เย็น21เอดฉันเช้าที่วัดป่าบ้านเพิ่ม แล้วก็วันที่ยี่สิบสองยิบเอ็ดยิบสองงานหลวงปู่เพียนวันเกิดวันมรณภา พ, พอพรอบวันมรณ ม, ม, มรณะภาพของหลวงปู่เพียนวิริโยนะแต่ตรงพ่อพูดผิดหรือถูกให้สืบสอบดูก็แล้วกันนะอาจจะเคลื่อนก็ได้หลวงพ่ออาจจะจำเรือนอาจจะ ผิดที่ก็ได้พอหลวงพ่อไม่ได้เตรียมเอกสารมาแต่ทราบว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อได้เข้าไปกราบหลวงปู่บุญมีที่ในฐานะพี่ชายใหญ่นานๆหลวงพ่อจะได้ไปที่นึงเมื่อวานก็มองว่างเห็นว่างก็เลยถือโอกาสเข้าไปกราบคารวะท่านแล้วก็ถวายเจตุปัจจัยท่านบ้างในฐานะที่เราเป็นน้อง แต่เผื่อท่านตะใช้จาจอะไรแต่ก็พูดภาษาพูดไม่ได้อย่างเก่านะั้นพูดค่อยมากาต้องหาล่ามแปลอีกทีหนึ่งแต่หลวงพอว่อหลวงพอว่อล่ามล่ามนี่กัแปลเก่งมากนะหลวงพ่อวันะดผู้อยู่พระที่อยู่ใกล้ชิดของท่านที่อยู่ใกล้ๆท่านเวลาท่านพูดพูดอะไรนะ เอแล้วก็พระก็แปลออกมา <c oughs> เ, เดี๋ยวลูก <c oughs> รศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลุงพ่อก็จะถามเอ๊ะพระเนี่ยแปลถูกแล้วแปลผิดเนี่ยหลุงพ่อว่ามั่นใจว่าถูกนะเพราะเหตุไรเพราะลุงพ่อบางทีลุงพ่อก็ยทบทวนถามดูว่าสมัยอยู่บ้านตากเนี่ยคนนั้นเขาชื่อว่าอย่างไงคนนี้เขาชื่อว่ายังไงไรพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่เราอยู่ที่บ้านตากเนี่ยเป็นใครท่านก็พูดมบบบโมบมบบพระก็แปลออกมาก็ถูกต้องนะพระท่านแปลออกมาก็ถูกต้องเหมกันแตถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อได้รู้ได้ทราบเหมือนกันแต่พระเนี่ยคงจะไม่รู้หรอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่หลวงปู่ท่านพูดมบมบมบบบแต่ แต่พระแปลออกมามถูกต้องฮนะเพราะนั้นลุงพ่อกเลยมั่นใจว่าที่พระแปลแปลให้ฟังนั้นคงจะถูกต้องทั้งหมดนะเพราะว่าขนาดลุงพ่อฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่พระท่านแปลออกมาเอยใช่นะลุงพ่อยอมรับเลยความจำของท่านยังแม่นนะจำความจำของท่านนะนะลุงปูจำแม่นทีเดียวเลยนะที่ไปฟังดู ทุกครั้งที่ได้เข้าไปกราบคารวะท่านนะ <c oughs> พอถามไทยสารถถูกสุดิบท่านหน่อยหนึ่งแล้วกันได้กลับมาวัดเมื่อวานคำพอดีแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบแปดเป็นวันที่หลวงพ่อเคยกล่าวเตือนย้ำพวกเราท่านทั้งหลายการที่พูด หลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวทุกวันหลวงพ่อก็คิดเอเหมือนกันนะถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นแบบหลวงปู่บนมียุดพูดท่านนี่หลวงพ่อจะหยุดพูดและจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเสียงถ้าเสียงก็เสียงแบบก็ท่อนกัแท่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ต้องหยุดพูดพออายุมากแล้ว แต่ในช่วงที่พอแสดงความคิดเห็นได้อยู่หลวงพ่อก็แสดงความคิดเห็นให้คณะทาญาติโยมลูกหลานได้ฟังแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรแต่บางครั้งบางคนก็อาจจะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดออกไปทางนอกมากเกินไปบางทีก็พูดเรื่องศีลศิลธรรม ของพระพุทธเจ้าแบบเปลือกเปลือกเรื่องการเป็นอยู่บ้างขทท่าววัฏธรรมบ้างตระกูลนั้นบ้างข้งไม่ตั้งอยู่ได้นานบ้างความพร้อมเพียงสมคีอาปริหารได้จะทําบ้างใกล้ๆประการแนะนําบอกกล่าวหลวงพ่อ บ, บอกบางครั้งนะอาจจะไปในทางแนวการวางตัวของข่าววัฏญาติโยมลูกหลาน การอยู่ด้วยกันการวางตัวยังไงต่อพ่อแม่พ่อแม่วางตัวยังไงกับการเป็นอยู่อันนี้หลวงพ่อพูดเน้นจุดนี้พ่อสมงฆ์พ่อให้ใรเพราะว่าลูกหลานทั้งหลายทางว่าพูดเรื่องภาวนาลูกหลานเขาไม่เคยภาวนาเออพอฟังเข้าไปก็พูดเรื่องอะไรก็าไม่รู้ะแล้วก็ปิดซะ อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราหลวงพ่อมาพูดแต่เรื่องของอย่างนี้พวกจิตตภาวนาพวกจิตสูงทั้งหลาย<ๆ>เขาก็บอกไว้ทําไมหลวงพ่อจึงพูดแต่เรื่องทางนอกๆหลวงพ่ออินนี่ไม่ภาวนาบ้างเลยเนี่ยก็อย่างนั้นไปอีกเถอะหลวงพ่อเองอยู่ในสถานะที่ว่าจะอธิบายจุดไหนให้ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้รับรู้หลวงพ่อกขาเน้นทางพื้นฐานนะเน้นทางพื้นฐานการเป็นอยู่การวางตัวาการปฏิบัติตนอย่างไรต่อชุมชนสังคมให้ถูกต้องแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ลืมเน้นหนักบางทีก็เข้าแนะนําเรื่องจิตภาวนาบ้างเป็นเป็นบางครั้งครั้งคราวแต่หลวงพ่อก็เน้นว่า ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาแล้วให้พวกเราผู้อยู่ใกล้สถานในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงตานะ่ยให้ฟังตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปให้เปิดฟังอันนั่นแหละคือแนวภาคปฏิบัติจิตภาวนาที่หลวงตาแนะนําสั่งสอนโทษเทศอยู่ทุกคืนจุดนั้นให้พวกเราฟังอ่าแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่มีจุดนั้น พวกเร า, เาที่เล่นเฟซบุกหรืออินเทอร์เน็ตพวกเราค็ฟังในธรรมเทศนาของหลวงตาที่ท่านว่าอบรมพระหรือว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมเรื่องหลักของใจที่เขาประกาศแล้วเขาบอกในหัวข้อให้ฟังเลยนั่นแหละ เ, เรื่องจิตภาวนาเรื่องภาคปฏิบัติโดยตรง ให้ฟังจากหลวงตาแต่หลวงพ่อเนี่ยเพียงแต่ปูพื้นฐานให้ขนัฐฐนติทาญาติโยมลูกหลานเป็นคนดีในเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะพัฒนาอย่างไรจะให้ดีขึ้นไปกว่านั้นเอง ก, ก็ต้องมีศีลในเมื่อมีศีลแล้วจะพัฒนาอย่างไงจะให้ดีขึ้นไปอกีกให้ภาวนาให้ภาวนาเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วจะพัฒนาอย่างไเอีก ให้พิจารณาทางวิปัสสนาแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรอย่างไรจิตใจของเรามันติดข้องอยู่กับเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราเนี่ยมันมกมกมุ่นกับเรื่องอะไรเรื่องกิเลสตัวไหนลาคะความพอใจในเรื่องกรรมกิเลสใช่ไหมหรือว่ามีอะไรอยูใ่ในใจของเราโทสะใช่ไหม เออความคุณเคืองขัดข้องหมองใจอยู่ตลอดเวลายอย่างนั้นใช่ไหมเออแล้วก็โมหะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่ในโลกนี้อยู่เป็นอนันตการอันไหนเห็นอันไหนก็โลภทั้งหมดอยากจะได้ทั้งหมดเห็นใครมาถูกใจก็โกรธให้เขาทั้งหมดเห็นอะไรก็น่ารักเห็นอะไรก็อยากจะได้ให้มันเป็นของตัวทั้งหมดที่ชอบใจเอออันนี้คือหลงหลงว่าตัวเองจะอยู่ในวัฏสงสาร และจะแก้ไขอย่างไรแต่เนี่ยต้องใช้ปัญญาแหละแต่มาถึงจุดนี้ต้องใช้ปัญญาแต่เราปรับปรับมาจะใช้ปัญญาจุดนี้ขึ้นมาอบางคนก็ต่อต้านนะแต่เฮ้ยจะไปอยู่จะไปปฏิเสธอย่างนั้นจะได้อยู่ได้กินอย่างไรเราจะอยู่ยังไงครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรเขายังติดในครอบในครัวในการเป็นอยู่ของเขาอยู่นะ เราจะไปสอนธรรมะถึงอเนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันก็ต่อต้านกันอีกทีนี่เพราะฉะนั้นจะต้องปูพื้นฐานขึ้นไปซะก่อนอจนถึงขั้นปริ ญ, ญาเอกเนี่ยก็ต้องเรียนตั้งแต่กอไก่ก่อนอกอไก่ขอไ ข, ข่ขอขวดไปเรื่อยอจนถึงหนึ่งสองสามนับจากนั้นก็ บ, บวกลบคูณหารวิธีการในเมื่อเรารู้เป็นพื้นฐานแล้วทีนี้ เมื่อเราพิจารณาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเนีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันเดือนหกเพจนั้นการที่ออกจากเวียงวังไปท่านมีจุดประสงค์อะไรท่านจึงออกจากเวียงวังไปในเมื่อท่านออกจากเวียงวังไปแล้วเนี่ยท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่หกปีนั่นน่ะท่านศึกษาอย่างไรแต่ท่านก็ไม่ได้พูดเอาทุกวี่ทุกวัน ถ้าทุกวันก็คงจะบันทึกในเอ็มพีสาหรือว่าบันทึกดีวีดีเอาไว้ทั้งหมดการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าแต่นี้ท่านอยู่ตามลำพังท่านก็คงจะไม่ให้ใคร ไ, ไปบันทึกเรื่องของท่านบางทีใจของท่านนึกคิดเรื่องอะไรแต่อันดับแรกท่านเน้นหนักเรื่องของการเป็นอยู่ซะก่อนไม่ใช่ว่าท่านปรับปรุามาท่านจะเน้นเรื่องของใจทีเดียวก็ไม่ใช่นะ ให้เราศึกษาดูพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องของกายก่อนอาการปินฑบาตการฉันาบางทีฉันเหมือนกับในกายอื่นเขาสมัยนั้นมีในกายต่างเยอะแยะไปหมดเลยเไว้เล็บยาวก็มีไว้ผมยาวก็มีไม่นุ่งผ้าก็มีาบางทีก็ทำอากับกริยาเหมือนหมาก็มีบางที่กินแต่ขี้บัวก็มีขี้บัวกิกนมากินแต่ขี้บัวก็ยังก็มีเป็นอาหาร บางทีกินแต่ผลละมากรากไม้ตีนลูกกระเบาลูกหมากกระเบาก็มีบางทีกินแต่งากินแต่ถั่วก็มีบางทีกินให้มากให้เอฟติมอิ่มเต็มท้องก็มีบางทีกดถอยถอยถอ ย, ถอ ย, ถอยลงมาจนถึงเม็ดเดียวก็มีฮะอย่างนี้ท่านเคยทําเหมือนท่านทดลองทดลองเรื่องของกายจนถึงอดพักยาหารถึงสี่สิบเก้าวันเนี่แหละท่านดูท่าน หกปีนั่นนะอท่านทําอย่างไรจุดนั้นแต่พอเราได้ศึกษาดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่ศิท ธ, ธัถะที่ท่านบําเพ็ญอยู่ตั้งหกปีนั่นนะเอแต่เราไม่พูดถึงถี่หกปีนั่นนะเพราะอันนั้นเป็นการทดสอบทดลองกับเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาจะทดลองเรื่องอะไรในที่เขาจะต้องการนะาต่ะเอตมอะไรอออืเ ทดลองแบบไหนอะไรต่อไม่อะไรตร่้งมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในั้นคล้ายๆว่าเสียเวลาเสียเวลาเปล่ายังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ใช่สูตรสําเร็จเพราะเราไม่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเราอยากจะรู้ว่าจุดไหนที่สําเร็จแล้วน่นผลสําเร็จแล้วนั่นเออหรือวิธีการเกษตรเนี่ยสำเร็จแล้วน่นวรระน ว, นนวิธีการทำเอ่อสำเร็จของกเกษตรเนี่ยทายังไง ตกแต่งปุ๋ยอ ย, ย่างไงทำหลุมอย่างไงอแล้วก็วางายาอย่างไงรักษาอย่างไงอที่สําเร็จแล้วนะเราต้องการจุดนี้เท่านี้ไอ้จุดที่ทดลองทดสอบมาแล้วนั้นอถ้าเราจะไปทดสอบอีกเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่นักค้นคว้ า, เ, าเราก็เนี่ยมาปูจุดนี้ ได้มือมาปูจุดนี้ก็เถอะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและท่านก็บอกว่าก่อนที่จะมาตัดรู้จุดนี้ได้มันต้องมีพื้นฐานซะก่อนนะะต้องวางตัวให้ถูกซะก่อนนะถ้าวางตัวไม่ถูกจุดนั้นจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ฮะอันนี้ก็คือมันเป็นมันโยงใหญ่หากันนะเพราฉะนั้นท่านจึงให้มีฐานเป็นเบื้องต้นการอยู่ด้วยกัน ถ้าว่าคนไม่มีทานเนี่ยต่างคนต่างเกิดขึ้นมาแล้วเอขนาดลูกตัวเองก็ไม่ให้กินนมไม่ให้กินไม่ให้มีการเอื้อเฟื้อต่อกันหมาแมวก่อเนี่ยมาอยู่มันมาเห็ดแก่ตัวเราเป็นผู้ให้มันจะมายุ่งทําไมต่างคนก็ต่างอยู่นะเป็นยังไงโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้แต่ไม่ทํามีทานนะคือการเสียสละเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็คือการเสียสสียละการอยู่ด้วยกันเสียสละมากน้อยแค่ไหนก็ให้รู้จักประมาณตนในการทําเออพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้โง่อีกจุดนั้นอีกสอนให้ใช้ความฉลาดความรอบคอบอีกเรื่องศีลก็รักษากฎกติกากฎระเบียบที่การอยู่ด้วยกันวางตัวอย่างไรอย่างนั้นกับเรื่องมาเรื่องภาวนาเลยทีนี้คือหาสูงสุดเข้ามาเรื่อยๆนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นว่า เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะไม่ใช่ว่าท่านจะเน้นที่ที่สุดทีเดียวแต่ใจใช้เน้นที่สุดทีเดียวเหมือนกับเราปลูกปับมาเนี่ยเราก็มีมีข้าวมาันมีข้าวมาทำเป็นคำแล้วก็ฉันฉันเข้าไปในปากเลยอิ่มเลยจะไปยุ่งอะไรจะไปปลูกนาทำไมจะไปยุ่งอะไรเรื่องทำไร่ทำนาเนี่ยมันอยู่ในหม้อเนี่ย กินเข้าไปในปากอิ่มท้องกระจบนจะไปยุ่งอะไรของภายนอกแต่นี้ถ้าหากว่าถ้าไม่มีสองภายนอกไม่มีการทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนมากระทบเปลือกข้าวมาตําข้าวมาสีข้าวแล้วก็มาเนึ่งและะ้วมันจะมีอยู่ในหม้อได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบทวนดูทุกอย่างในปัจจุบันและในอดีตความเป็นมาของเม็ดข้าวเม็ดนี้นะ่ะ ก่อนที่จะมาให้เราได้รับทานมีกำลังวังช า, ชาขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราการประพฤติปฏิบัติธรรมแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่านะเออมันต้องมีพื้นฐานมาซะก่อนที่เราดูสิพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดสุพระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียว เรามาเกิดมาแล้วเราออกปฏิบัติเนี่ยนะจุดที่เราได้สำเร็จนะปุกเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาติยานอาสาคาอาสาวัคยาญาณ น, นั่นแหละตัวสุดท้ายอาสาวัคยาญาณ น, นั้นยอดเยี่ยมไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะทำอาสาวัคยาญาณให้ยอดเยี่ยมจุดนั้นนะเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสีอสงไขยกำไรแสนมหากับ ท่านบำเพ็ญมาอย่างไรท่านก็พูดเท้าความไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราจะเรียนทุกอย่างให้รู้ ก, ก่อนยังนํามาปฏิบัติอ ม, มันก็เหมือนกับแผนที่อย่างองค์หลวงตาท่านพูดนะเขียนแผนที่จบแล้วนะมันก็เป็นแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงเมื่อเรารู้แผนที่ของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไว้แล้วนะให้เราลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็ยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้พูดได้ย้ำได้กล่าวถ้าอยากจะฟังในรายละเอียดละเอียดแงเ่เล่ยเลีเล่ยมชั้นเชิงของกิเลส ท, ที่หลากที่หลากหลายที่มันหลากหลายในในแนวความคิดให้ฟังแนวหลวงตาหลวงตาจะพูดถึงกิเลสกิเลสกิเลส ท, ที่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือแนวชั้นเชิงของจิตใจที่ออกไปไปคว้าหรือไปไปยึดหรือว่าไปสัมผัสไปรับรู้ในเรื่องต่างๆกิเลสเข้ามาหามาสู่ จ, จิตใจแต่นี้สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการที่จะทำจุดถึงจุดนั้นเราทำยังไงที่หลวงพ่อก็นแนะนำสักสอนให้ภาวนา ทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนอก่อนที่จะมาจนว่าจะไปถึงไปถึงจุดนั้นน่ะจุดถึงจุดนั้นได้เพราะพวกเราในฐานะที่ว่าทันทาปัญญาพวกรู้ได้ช้าอถ้ารู้ได้เร็วก็บอกสอิอย่างที่คนเคยมาถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่ว่ารู้ได้เร็วๆนั่นนะผมอยากจะฟังจุดนั้น่ะผมอาจจะเร็วอย่างนั้นก็ได้ในใจเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นหรอก แต่พูดที่สิหลวงพ่อหลวงพ่อก็อบอกว่าพระอัตชิพูดให้ท่านภาษารีบุรฟังว่าเยธรรมมาเฮตุตัพภาวะเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุให้ดูที่เหตุดับที่เหตุนะภาษารีบุรฟังเพียงแค่นี้ได้สำเร็จพระสูรดาบัดนะแต่ที่ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเยธรรมาเหตุตัปภวะเรื่องทั้งหลายเกิดมาจะเกิดให้ดูที่เหตุดับที่เหตุนะเราได้สดําเร็จหรือยังยังครับเออแสดงว่าทันธาปิญญาเนี่ยยังไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่คิบ ป, ปะปิญญาหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะเออแสดงว่าเนี่ยคุณต้องทันธาปิญญาต้องรู้ได้ชาอ่ า, อา น, นั่นเองก็ต้องคุณก็ต้องภาวนาไปตามขั้นตอนพื้นฐาน คงไม่ใช่คิด ป, ปะพิญญาแหละถ้าคิด ป, ปะพิญญาพูดเท่านี้รู้แล้วได้สําเร็จแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้เราก็รู้สถานะของเราเราก็อยากใครๆก็อยากจะไปทางลั ด, ด้วยการทั้งนั้นแหะอยากจะสําเร็จอยากจะรู้ได้เร็วทั้งนั้นแหละอันนี้มันเป็นด้วยบุญวาศสนาบารมีเก่าแก่อีกต่างหากมันโยงใหญ่กันไปหากันทั้งหมดภาษารีบุตรท่านก่อนที่ท่านจะได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้น ท่านบำเพ็ญมาสองอสงไข์ไขคำไรแสนมหากับแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นมันหลวงพ่อไม่ให้พวกเราน้อยใจหรือว่าทุกใจหรือว่าพึ่ง บ, บุญบา ร, ร, รมีเก่าแก่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายถ้าผู้ใดก็ตามบำเพ็ญอยู่ในจิติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งพิจนารณายอยู่อยู่ในกายตลอด ไม่ให้จิตเผลอไปที่ไหนอยู่ที่กายเท่านั้นอย่อางเร็วเจดวันถ้านานกว่านั้นเจดเดือนถ้ามากกว่านั้นไม่เกินเจดปีเจปีต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละถ้าห า, าว่าพวกท่านทัหลายใส่ใจใส่ใจสนใจยึดมีสติอยู่ในสติสติอยู่ในจิต จิตอยู่ในสติปัฏฐานสี่อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมอยู่ในเนี้ยไม่ให้เผลอไปไหนนี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ไม่ใช่ท่านว่าให้พึ่งพ า, าพึ่งพาบาลามีออสี่อสงไขยสองอสงไขยอย่างที่ที่ท่านได้ตรัสไว้อ น, นั้นคือเป็นพื้นฐานถ้าท่าว่าไม่ได้สําเร็จอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานเหล่านั้นบําเพ็ญไปเรื่อยๆ แต่และคนไม่เหมือนกันแต่พอบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เอา้าได้สําเร็จมากสําเร็จผลแต่ถึงยังไงก็ตามมากผลเหล่านั้นใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนกระทําใครเป็นคนบําเพ็ญไม่ใช่อื่นใครคนอื่นเขาบําเพ็ญก็เป็นเรื่องของเขาเราคือเป็นผู้บําเพ็ญของเราเองการบําเพ็ญของเราเนี่ยนี่แหละเนื้เอเดินจิตภาวนานเราจะเดินจุดไหนเย เราก็รู้แล้วเราได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อได้พูดให้ฟังหลายแง่หลายเหลี่ยมหลายชั้นหลายเชิงหลายกระทงมาโยงใหญ่พวกเราควรจะอ่านออกว่าการที่เราจะเดินเข้าไปจุดนั้นท ำ, ทำยังไงไม่มีทางอื่นหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทางอื่นมีแต่ให้นั่งสมาธิให้มีเวลาหาเวลาให้กับตนเองแล้วก็อยู่ในความสงบ อย่าไปเห็นแก่โม้อย <intell> ่าไปเห็นแก่คุยอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินอยู่ตามลําพังอย่างพ่อพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตามลําพังจากนั้นพออยู่ตามลาพังเสร็จแล้วก็เดินจงกรมขาขวาพดขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโถอย่าไปเดินช้าอย่าไปเดินเร็วเดินตามปกติเหมือนกับเราเดินไปบินทบาทอย่างนั้นจะเดินเร็วก็ได้เดินก็เดินให้มีสติในการเดิน เดินตามอัธยาศัยที่เราจะเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโทถถ้ามันเผลอเอามันเผลอมันเผลอได้อย่างไงเอานับหนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไปจนถึงร้อยมันมีเผละะเอไหอขาขวาเ อ, อขาขวาเนี่ยเป็นเลขคู่ขาซ้ายเป็นเลขคี่หนึ่งคือเป็นเลขคี่เอาเอาขาซ้ายก่อนนะอ่า คู่ก็เข้าเข้าเข้าเข้าขาขวาออกไปก่อนคู่หนึ่งสองกันนะเข้าเข้าขาซ้ายหนึ่งขาขวาสองเอาขาขวาเป็นเลขคู่ซะก็แล้วกันนะเ อ, อขาซ้ายเนี่ยเป็นเลขขี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็คู่ขี้คู่ขี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยในเมื่อมันเผลอมันเผลอยังไง เออมันจะต้องนับว่าขาซ้ายเนี่ยเป็นเลขเลขคู่ราคาขาขวาขวาเนี่ยเป็นเลขคี่เนี่ยแสดงมันสลับกันแล้วอันนี้มันเผลอละเผลอกลับมาใหม่อีกเออเวลานับลมอีกเหมือนกันเวลาหายใจเข้าพดหายใจออกโทแต่เอาเถอะมันทําไมมันเผลอในช่วงไหนวะเราลองทดลองนับดูสิเออนีบางทีครับเออบางทีพุทโทมันอาจมันอาจจะมันมันอาจจะมันอาจจะเบอร์หรือเผลอได้ง่าย แต่ตามไม่จริงพดมันก็เข้าโท่มันก็ออกไงพดเข้าโทออกพุทเข้าโธออกแต่บางทีมันพอมันพูดไปพูดมาเหมือนกันนั่นแหะอาจจะเป็นพุทอออกโธเข้าอออโธเข้าทบพุทธออกไอมันสลับกันแต่ตามไม่จริงมันไม่ชัดตัวนี้มันไม่ชัดถ้านับเลขมันจะชัดกว่า หายใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออกสองสามสี่ห้าหกไปถึงร้อยไม่เผลอใชได้แต่ถ้านับมันเผลอมันเผลอในช่วงไหนช่วงเลขเก้าเลขสิบหรือเลขสิบสี่สิบห้าหายใจเข้าเลขขี่สิบห้าหายใจออกเลขคู่สิบหกแต่เราหายใจเข้าเป็นเลขคู่สิบหกหายใจออก เป็นสิบเจ็ดเน่ยแสดงว่าเราเผลอแล้วเออเราขาดสติแล้วในช่วงนั้นก่อนที่มันจะเผลอแล้วมันเราให้สังเกตดูอีกยมันเบลอๆนะเออมันเบลอๆซะ ก, ก่อนมันจึงมันจึงขาดสติแสดงว่านะเราก็รู้แต่โอ้ลักษณะที่ขาดสติมันจะเบลอเป็นจะเบือลักษณะนี้ก่อนนะนี่แหละอันนี้คือเราสังเกตถึงขนาดนั้นจากนั้นเมื่อเราสติของเราดีแล้วเถนี่เออเราไม่เผลอแล้วไม่ไม่ นับเวลาไหนอยู่ได้เวลานั้นไม่เผลอเลยอันนี้สติของเราไปว่าเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนับเวลาไหนดีอยู่ตลอดเวลาจะนี้ความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อก็เกิดขึ้นเมื่อเมื่อสติขอเราเเราก็พิจารณาอย่างไรกำหนดอย่างไรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้แล้วก็นับมาทดสอบอีกนานๆมาทดสอบอีกนับหนึ่งอีกมันเผลอแน่ไหมมันมันเที่ยงแน่ไหม มันไม่หลงแน่นะอจากนั้นถ้าเมื่อไม่ไม่หลงแน่นะะเอาภาวนาไปในเมื่อจิตใจของเราอยู่เป็นพื้นฐานแล้วก็นํามาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายอย่างที่ว่าจากนั้นเมื่อแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นก็เข้าไปสู่จิตคือผู้รู้คือตาใจใครเป็นคนมาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายในความรู้จุดทั้งอยู จ, จุดไหนนี่แหละย้อนไปหาตัวผู้รู้คือใจ ในเมื่อย้อนไปหาตัวผ sí, ู้ un, dressing, ls, ร Gest so un, ended, ู้คือใจใจของเราเนี่ยน่ะเป็นมันไปรับรู้เรื่องต่างๆอในจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงนี้เองพระพุทธเจ้าถึงท่านจึงตรัสว่ามโนปุพังขบมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจโอ้จุดนี้แน่นอนจริงหนอมันเรื่องทั้งหลายออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ ตัวการใหญ่คือคือใจนะในเมื่อพิจารณาถึงตัวใจแนละ้วต้องศึกษาไปอีกเลยเออําพิจารณาทางวิปัสสนาเข้าไปถึงจุดใจแก้ดูจุดนั้นอีกต่างหากเนะี่ยที่ท่านว่ะ อ, อาสาวะขยยาหยาดจุดนั้นนะ ท, นที่อาจรยที่ยังยังรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วนะใครเป็นคนพูดว่าเราไม่มาเกิดมันอยู่จุดไหนนะ่เนี่ยนะเขาไปหาหจุดนี้แหละ ถ้าเราภาวนาเราจะรู้นะถ้าไม่ได้ภาวนาพอหลวง พ, พูดพอหลวงพ่อพูดเข้ามาจุดนี้เลยงงเลยงงเหมือนไก่ตาแตกตนะท่นนี่ไม่รู้จะจับจุดไหนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ภาวนาเนะพราะนั้นหลวงพ่อจะมาพูดแต่จุดนี้จุดเดียวลนะไม่ได้เอพวกลูกหลานคณะทธา ญ, ญาจโจอผู้ที่ดำดํารงของชีพอยู่ด้วยการเป็นอยู่แล้วจะจ ะ, จะมาเอาจุดนี้จุดเดียวนะ งงเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่หาว่าพูดแต่เรื่องทางโลกจริงๆไม่มาพูดถึงจุดนี้อีก เ, อเขาก็จะว่าหลวงพ่ออินหลงโลกหลงทางไปแล้วออย่าว่าอย่างนั้นไปอีกนะแต่ที่อย่างไรก็อยู่ในหลวงพ่อทั้งหมดนะะหลงทำไม่หลงก็อยู่ที่หลวงพ่อทั้งหมดออแต่หลวงพ่อก็พูดพูดให้ลูกให้หลานได้ฟังเพื่อการศึกษาเอาตอนนี้ไปรับพรนะทีา น, นีนะแต่พูดมากเดี๋ยวกรูบาสหิวอาหารแล้ววันนี้วะ่ะ